วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาภิพิษุทั้งหลายสงพึงแต่งตั้งอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงขอให้พิกษุรับครั้นแล้วพิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพระเจ้า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 ความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยในสัมุขาวินัยนั้นอย่างไรอธ it ิกรณ์นั้นระงับโดยธรรมโดยวินยัยและโดยสัตธุศาสตร์ใดนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยใ น, น, ในสัมุขาวินัยนั้นท่านหนึ่งความพร้อมหน้าบุคคลในสัมุขาวินัยนั้นอย่างไรโจ์และจำเลยทั้งสอง เป็นคู่ต่อสู้ในคดีอยู่พร้อมหน้ากันนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าบุคคลในสามมุขาวินัยนั้นอนหนึ่งในเยพุยสิกานั้นมีอะไรบ้างมีกิริยาความกระทาความเข้าไปความเข้าไปเฉพาะความรับรองความไม่คัดค้านกรรมในเยพุยสิกาอันใดมีในเยพุยสิกานั้น ภิกษุทั้งหลายอาิกรระงับอย่างนี้ผู้ทำรื้อฟื้นต้องอาบัติปาจิตตีที่รื้อฟื้นผู้ให้ฉันทะติเตียนต้องอาบัติปาจิตตีที่ติเตียน